ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญาณได้นำเสนอบารมีมาถึงอธิฐานนบารมีแต่ดังที่บอกไว้แล้วว่าในอธิฐานบารมีนั้นจะหนักไปในทางตัวผลคือหมายความว่าใช้อธิฐานบารมีขนาด สามารถท่องไปในสูงสวรรค์ได้โดยการนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปชมสวรรค์วิมานของมาตาลีเทพระบุตแต่ในขณะเดียวกันมันก็แสดงให้เห็นเรื่องของสังสารวัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ท่งสัจรุแล้วก็ทรงสแสดงไว้ เหตุการ์เหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยก็ประยุติโดยหลักที่ว่าพระพุทธเจ้าดันสงค้นพบความจริงเหล่านั้นก็แสดงว่าความจริงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับใดก็ตามเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาของมันก็ท่านมองเดียวกับ บุคคลที่ค้นพบพวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายในปัจจุบันจริงๆเ็าก็มีอยู่แล้วโดยสถานะโดยสภาพแต่ว่าปัญญาเราจะเข้าถึงเขาได้มากน้อยแค่ไหนถึงใยเราก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกบารมีธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมะที่มีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า มันไม่มีความเข้มข้นระดับที่เป็นอุปบารมีประมัตถบารมีแบบพระโพธิสัตว์แต่คนก็คงสัมผัสบารมีระดับหนึ่งพราะถ้าเราลองสังเกตให้ดีว่าองค์ธรรมคือบารมีทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันก็เป็นวิถีสังคมเป็นพื้นฐานในด้านจิตใจของมนุษย์ซึ่งอาจจะยิ่งหย่อนแตกต่างกันอยู่ แต่ว่าแต่ละคนก็มีศีลอยู่ระดับหนึ่งมีทานอยู่ระดับหนึ่งมีเนคขมะอยู่ระดับหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมีขันติอยู่ระดับหนึ่งเสมอเปลี่ยแต่วาบางครั้งบางคราวมันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามีน้อยเกินไปเท่านั้นจารทีิฐานบา ร, รมีจึงเป็นการมองย้อนกลับไปสู่ความจริงอีกระดับหนึ่งแต่ก็เชื่อมโยงกับประเหต ที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติกระทำในสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะในเนมิราชมันจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นถึงพระมหากษัตริย์ที่สร้างสมอบรมบารมีก็เน้นไประดับศีลก็ศีลเพียงแปดข้ออาจจะเรียกว่าบทสวศีนบ้างเรียกว่าศีนแปดบ้างแล้วปฏิบัติเคร่งครัดจนเป็นวัดปฏิบัติ ของราชวงศ์สืบต่อหมุนวนกันไปยาวนานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งองค์เริ่มต้นนั่นเองก็ได้จุติมาเป็นพระเจ้าเนบิลาดพระเทวดาในสูงสวรรค์ก็คือลูกหลานของท่านในสืบพบชาติทั้งมาเนี่ยเมื่อก็ปรารถนาที่จะพบท่านและท่านเองก็ปรารถนาจะพบคนเหล่านั้น ก็กลายเป็นแรงอธิษฐานร่วมของเทวดาแล้วของมนุษย์และเทพประบุตรทั้งหลายก็มีเมสีจิตกับท่านด้วยความสำนึกกับตนญยูคือในแง่ของภพชาติเนี่ยคือถ้าเรามองถึงปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายภาษาดีบุตรเนี่ยอดีตมารดาของท่านเป็น อมนุษย์อยู่นะก็อยู่ประพวกเปรตอสุรกายพวกเนี้ยก็สเสวยทุกอยู่ดานแสนนานวันหนึ่งก็แสดงตัวปรากฏแก่ประสาริบุตรก็บอกเล่าวทั้งความเป็นหมาของตนว่าเป็นใครมาจากไหนประสาริบุตรก็รู้นะฮะว่าเป็นอดีตมารดาของท่านก็ต้องการให้ประสาริบุตรช่วย ให้ท่านรอดพ้นจากความเป็นอมนุษย์พระสารีบุตรก็ได้อาหารที่คนถวายนะแล้วก็มาจัดเป็นรูปสังฆทานถวายพระแล้วที่กุศลจึงเกิดขึ้นจากการถวายทานนั้นแก่อดีตมารดาของท่านอดีตมารดาของท่านก็ได้พ้นจากความทุกข์ เรื่งเราจะเห็นว่าเป็นสำนึกกะตัญญูด้วยเมตตากรุณาด้วยนะแต่ว่าที่จริงพภกชาติมันผ่านกันมาไกลเหลือเกินก็แสดงเห็นตังความลึกซึ้งในด้านของธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลระดับพระอระหันต์หรือแม้ตัวอย่างที่เราจะเห็นว่าตอนกลางกลเดือน พฤสภากคมที่ผ่านมามีข่าวคราวที่เกี่ยวกับเรื่องผีเปรตที่ทางอะไรอุดรธานีแล้วก็มาคาบเกี่ยวกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาก็วื่วากันปสดสมควรนังสืบพิมพ์พไทยรัฐออกมาลงมันก็เกิดความคิดแตกแยกออกไป และก็บางครั้งบางคราวก็กลายเป็นเหมาโลอัตตมาเ อ, เองก็ได้เอกสารอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รู้เรื่องกับค น, นหลายคนก็มองเห็นว่าเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างกลุ่มหนึ่งซึ่งนําคนไปดูเจตนาเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไม่มีข้อมูลมากพอต่อการตัดสิน แต่ว่าจากภาพที่ปรากฏเนี่ยเราก็เห็นว่าขาดความสมเหตุสมผลตอนนั้นเองทีนี้คนที่ไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือเข้าไปประศึกษาค้นคว้าหาความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะแต่สามารถจะนำภาพสวรรค์มาได้นำภาพนรกมาได้นาภาพเรดมาได้นะนําภาพเทวดามาได้จริงๆนะสมมติว่านะฮะนมาได้จริงๆ มันจะช่วยสังคมได้ อ, น เ, อนนเนกนันแน่คือคนเราขอให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกับกฎของสังสารวัฏได้แต่นั่นเองความรับผิดชอบต่อกรรมต่อผลของกรรมต่อสังสารวัฏก็จะติดตามมาเวลาการระดับศีลธรรมจรร ญ, ญาเนี่ยจึงจะเน้นในเรื่องแบบนี้เพราะเรื่องพระเนมิราชจึงเป็นเรื่องที่แสดงถึงสังสารวัฏ ในกระบวนการของกรรมแล้วก็นําไปสู่สังสารวัตรมีภพชาติทิประณีตแล้วก็ประสอบถามทราบความก็จะเห็นว่าตัวเหตุนั้นมาอยู่ในโลกมนุษย์คือกุศลและกรรมที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นเหตุได้เกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆมีภพชาติิประณิษฐแตกต่างกันออกไปก็ทําให้เห็นว่ากรรมจะเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกวิถีชีวิตของมนุษย์ ก็ไปยึดติดโดยหลักที่ส่งแสดงว่าสัตว์โลกกำลเป็นไปตามกรรมแต่แน่นอนพอพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเรื่องเปรตที่เขาว่าเนี่ยก็มีคนมาสัมภาษณ์คือเอาวิดีโอมาให้ดูด้วยมาบอกว่ามันต้องแยกให้ออกนะฮะเรื่องเปรตมีจริงหรือไม่มีจริงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแยกให้ออกเปรตนั้นเป็น สิ่งที่มีอยู่จริงอยู่ในกลุ่มของอาบายทั้งสี่อยู่ระดับที่สามที่ตนเรียงไว้นี่นะนิรยะนรกทิราชานโยนิกําเนิดติราชานปิติวิเศษผู้แผงเปรตอสุรกายพวกอสุรกายแล้วก็เปรตบางพวกก็อาจจะเป็นอสุรกายด้วยแล้วก็เล่าข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคแรกเลยปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จใหม่ๆเนี่ย ก็มีคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องเปรตอย่างน้อยก็สองเรื่องขนาดใหญ่มีเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตพระญาตเปรตอดีตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะเรียกให้ถูกคือเป็นญาติกันผ่านพกชาติมานานไกลมากสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามบกุศะแล้วก็ได้เคยทำบุญร่วมกันแต่ว่าคนเหล่านั้นนหะ บันกลายเป็นนักบุญคนบาปอยู่ในพวกนักบุญทั้งหลายก็เป็นเครือญาติของพระเจ้าพิมพิสานในอดีตนั่นเองสมัยนั้นท่านก็เกิดเป็นมีหน้าที่ใล้ายๆ ก, ยกับผู้ดูแลทรัพย์สินของพระราชกุมารสามพระองค์อาลีท่านแปลว่านายสมิเนเราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งเราเรียกเขาเรียกว่ายัางไงพระราชกุมารทั้งสามองค์นั้นออกผนวดชั่วคราวพร้อมโดยปริวาน แล้วก็มอบหมายการเลี้ยงดูพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้ารวมทั้งพวกท่านเดล่านั้ น, นให้เป็นภาระของปัจจุบันก็คือพระเจ้าพิมพิสารในสมัยนั้นก็คือโหนาที่เกี่ยวกับเงินของท่านและส่วนใหญ่เขาก็ปฏิบัติกันดีก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยักยอกทรัพย์สินเงินทองซึ่งจริงๆเป็นของพระราชกุมารทั้งสาที่สมผนวช ยาติคนตัวเองก็เพียงผู้จัด ก, การเท่านั้นเองแล้วก็ไปลักซสบ้างยักยอกซื้อบ้างแอบกินเะบ้างอะไรต่างๆเนีราทำให้คนอื่นก็ได้รับผลของกุศลกรรมก็หมุนวนในสังสารวัฏแล้วก็มาพบกับพระพุทธเจ้าราติุมานสามองค์ก็คือพวกกลุ่มโบราณชนดินและบริวารทั้งพันนั่นเองบรรลุมักผลเป็นพระหันพวกพระเจ้าพิมพิสารและบริวารญาติพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้บรรลุมรควนเป็นพระโสดาบันญาติกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังเหลือมาเป็นเปรตอยู่รอคอยการอุทิศส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารตอนพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันเนี่ยก็เป็นการถวายทานครั้งแรกในชีวิตของท่านก็ไม่ได้กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล อ, อะไรไปให้ญาติอดีตญาติที่เป็นเปรตญาติเหล่านั้นก็แสดงตนในลักษณะทวง ส่วนบุญเราก็เป็นภาพหน้าสยดสยองหน้าหวาดกลัวภาพพร อ, อะไรก็ไม่มีแต่ท่านเป็นพระโสะดาบันแล้วนะะท่านก็ไม่ได้ตื่นเต้นตระนกตกใจอะไรเพียงแต่กสงสยัยว่าเป็นเรื่องอะไรกันเองก็ไปกระทูนถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งเล่าอดีตแตกาให้ฟังจะบอกเนี้ยพวกญาติเราเนี้ยก็คอรอส่วนบุญจากบ่พอพิษอยู่เพราะงั้นก็ให้ช่วยเขา พระจักพิมิสานก็ถวายทานแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วอุทิศส่วนกุศลแก่พระญาติที่เป็นอดีตพระญาติที่เป็นเปรตเปรตเหล่านั้นก็อนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็กลายร่างจากเปรตนี่เป็นเทพประมุขเทพธิดาแต่ว่าพระนุ่งยังไม่มีนะก็แสดงตนขอบคุณแต่าพระนุงก็ยังไม่มีท่านก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ถวายผ้าแก่พระอาหารหันต์ทั้งหลาย แล้วอุทิ์กุศลส่งไปให้แก่พระญาติท่านเหล่านั้นก็โมทนาแล้วก็กลายเป็นเทพบุตรเทิธิดาก็มาอยู่ที่สวงสวรรค์อันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการแสดงถึงกรรมทั้งสองกรรมคือกรรมที่เป็นอกุศลที่ท่านไปยักยอกทรัพย์สินเงินทองของพระราชกุมารหรือว่าไปแอบกินอาหารที่เขาเตรียมจะถวายพระเป็นต้น ไม่ใช่พระชันเสร็จแล้วนะคือเขาเตรียมจะถวายพระเตรียมไว้ถวายพระแล้วแอ บ, บจักยอกแอบบลัก ซ, ซ่อนอะไรอะไรเนาะแล้วก็มวยผเป็นความทุกข์ผ่านนรกมาก็ผ่านมาเกิดเป็นเปรตแต่ในขณะเดียวกันเมื่อท่านเจริญกุศลเนี่ยก็ที่จริงด้วยการอนุโมทนาก็เรียวกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสมเร็จ ด, ด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ ท่านก็เปลี่ยนสถานะจากเปรตมาเป็นเทพปวุฒิเทพธิดาได้แต่ว่าแสดงว่าใกล้จะสิ้นผลของอกุศลเพียงแต่ว่าเพิ่มปริมาณของกุศลด้วยการโมทนาทานขึ้นมาแต่นั้นเองแต่เรื่งเหล่านี้ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงแก่คนที่ไม่มีประสบการณ์ พระเจ้าพิมสารนั้นท่ามีประสบการณ์ของท่านเองเดี๋ยวท่านเห็นเปรตเองแล้วท่านเห็นเปรตที่เปลี่ยนเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่ไม่มีผานองผาห่มเองแล้วก็ท่านก็เห็นเทพบุตรเทพธิดาที่ทรงปูสิตาพรสวยงามก็โดยตัวของท่านเองแล้วก็ทาว่าเป็นประสบดาบานดันด้วยเป็นจึงไม่มีปัญหาอะไรในการต่อมาก็ไปแสดงรับ รองคําพูดของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะท่านไปเจอเปรตตอนลงจากภูเขาคิจกูดเปรตสารพัดเปรตแต่พระลักษณะซึ่งเดินมาด้วยเนี่ยที่จ ร, ริงพรรลักษณะนี้บวชก่อนพระโมคคัลลานะนะเป็นกลุ่มพวกปูราในช ด, ดินแล้วคนเราท่านไม่เห็นพระโมคคัลลานะเห็นก็แยมประราหานท่านไม่ยิ้มนะฮะก็แยมพระลักษณะก็ ถามว่าย้ำเรื่องอะไรพระโมกขลานาก็บอกให้ไปถามผมที่ต่อพระพักรพระพุทธเจ้าเถดแล้วจะเรียนถาวายก็ ม, มาถึงภาพพระพุทธเจ้าพระลักษณะก็ถามท่านก็เล่าเรื่องการพบเปรตต่างๆเป็นนั้นมากนะฮะอยู่ในลักษณะสังยุตในทีคณิกในสังยุตตานิกายในจบอันนี้เป็นคำเป็นคา ระดับพระบาลีไตรปิฎกนะข้อความตรงเนี้ข้อความตอนต้นก็เหมือนกันระดับพระบาลีบาลีไตรปิฎกแต่อธิบายเนี่ยอธิบายที่อัตตะกันธาตรงนั้นเป็นพระหันทั้งคู่แล้วพระโมคคัลล า, านาสนิมด้วยตัวท่านเองตอนพระโมคคัลลาเอพระลักษณะเมื่อพระโมคคัลลานาท่านบอกว่าท่านเห็นเปรตท่านก็รู้ว่าเห็นด้วยอะไรท่านก็ใช้ทิยทพยสูดูท่านก็เห็นเหมือนกัน มันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคือว่าต่างคนต่าก็รู้เห็นผู้เจ้าก็รับสั่งว่าทิโมคารานาพูดในจริงโรงเรงก็เคยเห็นเหมือนกันในวันที่สัตว์รู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตวจดูสัตว์โลกเหมือนกันก็ไปเห็นเปรตในพวกเรานั่นหลังจากนั้นพระโมกคัาลลนาก็กราบทูลถึงสาเหตุได้คนเหล่านั้นเกิดเป็นเปรตผูเ้เจ้าก็แสดงวิบากกรรมในอนดีตการนานไกล กองโขนเหล่านั้นให้ท่านพระเทราชาเรือเานี้ก็นำมาอบรมชี้แจงแนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนแล่เราจะเห็นว่าการนำเที่ยวสวรรค์ของมาตลีเทพบุตรคือ น, นำพระเจ้าเนปิราชไปท่องสวรรค์เนี่ยเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อนะฮะ การเห็นด้วยตาเนื้อนี่คือพวกเทพประบุเทพพิดาเหล่านั้นก็แสดงตัวให้ท่านเห็นคือตามปกติแล้วเราก็สัมผัสพวกนี้ไม่ได้หรอกพวกนี้เขาเป็นอธิษมานกายคือดูแล้วก็คล้ายๆกับขึ้นเอ่อขึ้นแสงที่ออกจากสถานีส่งโทรทัศนะ์เน่ยแต่ถ้าเรามีเครื่องรับโทรทัศน์เราก็ดูได้ส่งมาจากส่วนต่างๆของโลกเราก็ดูได้นะแต่เรามีจานรับดาวเทียมอยู่ด้วย แต่ถ้าเราดูด้วยตาเนื้อมันก็นอกวิสัยของตาเนื้อเพราะในคำว่าวิสัยเนี่ยแต่สิ่งจะต้องทำความเข้าใจว่าการรู้กลิ่นเนี่ยเป็นวิสัยของจมูกการรู้รสเนี่ยเป็นวิสัยของลิ้นการรู้รูปเนี่ยการเห็นรูปเนี่ยเป็นวิสัยของตานะการสัมผัสกันเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวต่างๆเนี่ยเป็นวิสัยของร่างกายคือผิวหนัง ประสาทส่วนผิวหนังนะประสาทที่ที่อยู่ที่หนังเนะี่ยคือถ้าประสาทตรงนั้นพิการไปมันก็ไม่ได้ไปแข่ดังนั้นในเรื่องเหล่าเนี้ยบางครั้งบางคราวเราก็ใช้อารมณ์หรือไม่ได้ใช้เหตุผลในการมองว่าคนที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่เห็นด้วยตาธรรมดาแต่ถ้าเราเทียบในยุคปัจจุบันจริงเราเทียบได้หลายเรื่องนะ เส่นว่าแพทย์ที่เขาใช้กล้องจุลทรรศดูเชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ยมันขยายไม่รู้สักกี่ร้อยกี่พันส่วนบางชนิดแล้วเขาเห็นเน่ยเราก็ไม่เห็นแต่ทำไมเราเชื่อละเพราะเราเกิดยุคสมัยเดียวกับเขาเรารู้ว่ามันมีกล้องสมหรัดูแล้วเขาก็บอกว่าขยายดูด้วยกล้องจุลทรรศเท่านั้นส่วนนั้ น, นส่วนนะทีนี้ตีต่างว่า สมมติว่าญาติทวดปู่ทวดของเราเพื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราสามารถจะดูประเทศอเมริกามามีเหตุการณ์อะไรได้หรือสามารถดูเชื้อไวรัสได้สามารถจะดูไอ้ระบบจกกัจกรวจักรวาลที่สลับซับซ้อนได้เนี่ยญาตทวดไม่มีพื้นฐานเลยก็มีแต่ถูกดาเบิงเนี่ยเพราะในพื้นฐานตรงนี้มันมั น, ม, นมันคนเราพื้นฐานกันเลย ท่านเหล่านั้นสมัยนั้นท่านมีที่ประจักษ์สุแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ในวิสัยของที่ประจักษสุท่านก็เข้าใจเข้าใจทันทีเลยพอรับสั่งก็เข้าใจทันทีเข้าใจทั้งกระบวนการเพียงแต่พระลักษณะท่านไม่ได้ใช้ที่ประจักษ์สุตอนเดินลงมานะฮะไม่ได้ใช้ที่ประจักษ์สุเท่า น, นั้นเองถ้าท่านจะใช้ขึ้นมาท่านก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นตรงนี้มันก็แสดงถึงกรรม ใช่ไมแสดงถึงกรรมแล้วก็แสดงถึงผลกรรมที่นำมาสู่ความเป็นเปรตตรงนี้ก็เป็นวิบากวิบากก็คือผลที่เกิดขึ้นจากอกุศลกรรมแต่ว่าวิบากมันปรากฏคือตัวผลมันปรากฏเป็นเปรตเป็นเปรตชนิดต่างๆนี่มัน แ, แสดงไว้เยอะนะแสดงไปเยอะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ ทำไมไม่มีประสบการณ์เพราะเราไม่ได้ที่จัตุรัสเขนไหมฮะมันเหมือนกันเนี่ยเชื่อไวรัสเนี่ยจริงๆเราไม่เห็นเองนะนอกจากว่าเขาถ่ายมาด้วยกล้องด้วยรอมวิธีรที่ใช้กล้องขยายแล้วก็ถ่ายภาพมาเราก็เข้าใจตามนั้นแต่จริงคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยดูด้วยกล้องจุลทวทัานอาตมาเองก็พยายามจะดูหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ดูสักที ก็นึกจะดูว่ามันมันมันเป็นยังไงจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ถ้าเราเชื่อเอาไว้มันก็ได้ประโยชน์แล้วก็เห็นถึงอำนาจของบารมีธรรมอดีตพระเจ้าเนมิราชท่านก็เป็นกษัต ร, ริย์ในครองเมือง น, นี้นหละแวก็หมุนวนในสังสรวัดวรนานแสนนานเลยนะสืบพบสืบชาติสืบวงมายาวเหยียด ก็จากเทพบระบุตนะฮะแล้วก็จุติลงมาเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นคนที่สืบต่อจากคำตามคำสอนของท่านก็กลายไปเกิดเทพระวุตรเทพธิดาแล้วก็ปรารถนาที่จะพบพระองค์พะะน้นพระองค์ไปเห็นเนี่ยมาเป็นการยืนยันให้เห็นถึงบารมีธรรมบุญกุศลที่อำนวยวิบากให้คนเหล่านั้นเป็นเทพวุตเทพธิดา ชันเดียวกับพวกเปรตเนี่ยบากปอ ก, กุศลก็ลัง่วยให้เกิดเป็นพวกเปรตเหล่านั้นเหตุมันอยู่ในอดีตทั้งหมดเทวดาเหล่านั้นก็เหตุอยู่ในอดีตคือพวกบา ร, รมีธรรมทั้งหลายพวกศีลนะฮะก็เน้นไปฏ่ศีตเนี่ยนนสนนยี่บอกกันทานกันศีลเป็นหลักพวกเปรตมันก็คือไม่เจริญทานไม่เจริญศีลมันก็ทกําแมกวิถีชีวิตเนี่ยในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่อดีตแต่การ และในที่สุดก็จําแนกพบผูมของท่านให้ต่างกันมันก็กลายเป็นการไปยืนยันถึงพระสัพเเอะพระยานของพระพุทธเจ้าที่บอกไว้ว่าอุเปนวิวาสานติยานก็จุตูป่ายตยานพยานที่ยังรู้กระบวนการของกรรมกับกระบวนการของสังสารวัฏที่เป็นปัจจัยของการละการทังด้านเป็นกุศลและกุศลจําแนกออกมาเป็นพบเป็นชาติเป็นหยาบกลางประนีต ของสัตว์แตกต่างกันก็ยุติโดยหลักที่ว่าในตอนต้นก็คือกรรมเป็นผู้จำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและพระนิแตกต่างกันนั่นเนองทั้งฟังทั้งหลายใต่โลกพระพิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี